สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้จะขออนุญาตต่อจากเมื่อวานนี้ครับในหนังสือ20กฎทองธําของศาสนาอาจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงซึ่งแปลโดยท่านอาจารย์สุพิธวิจักโยธินนั้นทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการที่อะไรต้องมาก่อนและอะไรจะมาทีหลังนะครับ ขึ้นถึงประเด็นที่5ครับก็คือถวายตัวก่อนที่จะรับใช้นั่นหมายความว่าถวายตัวก่อนแล้วค่อยออกไปรับใช้ถวายตัวก่อนรับใช้ทีหลังครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองผมจะขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตาการุณาของพระเจ้า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 และอะไรดียอดเยี่ยมจะขออนุญาตโหลดเสียงภาษาอังกฤษนะครับจาก English Standard Version ให้พี่น้องฟังในเช้าวันนี้ Chapter 12 I appeal to you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice holy and acceptable to God which is your spiritual worship do not be conformed to this world ข้อที่อยากจะเน้นในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในข้อที่สองภาษาอังกฤษใช้คำว่า not be conform ก็คือหมายความว่าอย่าไปเป็นแบบเดียวกันอย่าไปเอาอย่างคนในยุคนี้ but be transformed แปลว่าให้เราที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนฟอร์มของเราเปลี่ยนรูปแบบของเราด้วยการที่เราเองนั้นจะต้องถวายตัวนั่นคือสิ่งที่พระกัมภีรได้สอนไว้ถวายตัวเองนั้นเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ครับและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับที่นี่นั่นได้บ่งบอกถึงคุณสมบัติ สามประการครับของการถวายตัวก็คือว่าเราจะต้องถวายตัวของเราเหมือนกับเหมือนกับเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันที่สองก็คือต้องบริสุทธิ์ประการที่สามก็คือจะต้องเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าดังนั้นครับพี่น้องครั บ, รบการที่เราเองนั้นจะรับใช้พระเจ้า จะถวายตัวรับใช้พระเจ้านั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถวายตัวก่อนการรับใช้พระเจ้านั้นต้องสืบเนื่องมาจากการถวายตัวครับและชีวิตต้องบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า3าประการนี้ครับการถวายตัวรับใช้ของเราจึงเป็นการถวายตัวที่สมบูรณ์แบบที่ถูกต้องตามที่ชอบพระทัยของพระเจ้า น, นั่นเป็นสิ่งที่เราเอ ง, เองนั้นจะต้องคำนึงครับ พี่น้องครับเราทุกคนต้องคำหนึ่งว่าเราเองนั้นก่อนจะรับใช้พระเจ้าชีวิตนั้นต้องถวายตัวก่อนอันที่สองก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับเราต้องมีชีวิตที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้ายอมเชื่อฟังเราจะต้องสำนึกในความผิดบาปตรวจสอบดูตลอดเวลาว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่า และเมื่อเราทําอะไรผิดนั้นครับเรารู้ตัวว่าผิดเราสํานึกเราก็ต้องอธิษฐานสารภาพกลับใจใหม่ครับเมื่อกลับใจสารภาพแล้วชีวิตเราจึงบริสุทธิ์เราจึงทําหน้าที่รับใช้พระเจ้าต่อไปได้นั่นเป็นเหตุที่ทําให้ผู้รับใช้หลายๆท่านนะครับเวลาที่เขาล้มลงในความบาปแล้วเขาจะต้องรับการลงวิญญาณหรือจะต้อง กับใจใหม่มีท่าทีแห่งการสรภาพบาปเสียใจในสิ่งที่เราทำและเมื่อรับการลงวินัยแล้วและเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้วผู้รับใช้เหล่านั้นหรือผู้นาเหล่านั้นก็จะกลับมารับใช้พระเจ้าได้ในขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนหลายหลายท่านเป็นผู้รับใช้และเป็นฆราวาสเราเองนั้นจะต้องรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ครับก่อน นั่นคือการถวายตัวก่อนการรับใช้พี่น้องครับนอกจากที่เราจะต้องเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์และต้องเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าด้วยการที่พระเจ้ายอมรับนั้นมีความหมายทางต้นข้ามคือมนุษย์ไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราทางกับกันเราทํากับกันเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการ การยอมรับจากมนุษย์แทนที่การยอมรับจากพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากครับเพราะว่าการรับใช้ต่างๆเหล่านั้นมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ท่านศาสนาจารย์ฟลิปเทงนั้นได้เขียนไว้ครับว่าคนที่ไม่ได้ถวายตัวเองให้กับพระเจ้านั้นการรับใช้ของเขาก็จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางการรับใช้ของเขาจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางครับ และเมื่ออายุตัวเองเป็นศูนย์กลางนั้นเขาต้องการคำชมเชยเขาต้องการความสนุกสนานเขาต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วทําให้ตัวเองโด่งดังเขาต้องการเมื่อรับใช้พระเจ้าแล้วก็จะมีคอนเน c t ชันมีสมาคมมีการครบค้ามีการไปมาหาสู่กันมีผลประโยชน์วันใดก็ตามหากเจออุปสรรคท้อแท้หมดกาลังใจหมดผลประโยชน์ ช่างน้ำหนักแล้วผลประโยชน์เสียมากกว่าได้ก็จะทิ้งงานก็จะเลิกก็จะท้อถอยหรือสูญหายไปแต่สำหรับคนที่ถวายตัวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นการรับใช้ของเขาก็จะยึดพระคริสต์เป็นศูนย์กลางครับทุกๆอย่างก็ทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเขาแสวงหาที่จะถวายพระเกียรติพระสิริ และแสวงหาความโปรดปรานที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าการแสวงหาความโปรดปรานนั่นหมายความว่าแสวงหาการที่พระเจ้าทรงรับทรงยอมรับในการรับใช้ของเราทุกๆเรื่องในการรับใช้ของเขานั้นก็จะดำเนินตามพระทัยของพระเจ้าคนเหล่านี้จะยอมจ่ายราคายอมเสียสละ ยอมจ่ายค่าทดแทนเพื่อพระองค์ครับยอมอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยยอมที่จะถูกตำหนิยอมที่จะถูกละทิ้งจากเพื่อนฝูงยอมที่จะรับสิ่ ง, งต่างๆที่อายุติธรรมคนเหล่านี้จะไม่ทิ้งงานกลังคลันเขาจะถ่อมใจและชื่นชมยินดี และในที่สุดนั้นก็จะได้เกิดผลมากฝ่ายวิญญาณครับเกิดผลมากในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือเคล็ดลับในการรับใช้พระเจ้าเราจะต้องถวายตัวก่อนครับการรับใช้ยึดพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง Christ Center การรับใช้นั้นเราจะต้องรู้ว่าทำทุกอย่างเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการรับใช้นั้นเราจะต้องแสวงหา ที่จะถวายพระเกียรติและพระสริและแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์ครับเราก็ยอมเหนื่อยยอมเจ็บปวดยอมจ่ายราคายอมอดทนยอมเหนื่อยยอมถูกตาหนิและเราจะไม่ทิ้งงานกลางคันเราจะถ่อมใจชื่นชมินดีในที่สุดครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านและเสริมกาลังผู้รับใช้ทุกทุกท่าน อาเมน